ป้อนกับภาวนาให้หาวิธีที่จะให้จิตใจของตนเองนมีความอยากจะทําคือให้มีความรู้สึกอยากเหมือนอยากอาหารเราอยากอาหารกับเราไม่อยากอาหารเมื่อไปรับประทานอาหารแล้วรับประทานก็ต่างกัน รับประทานได้มากได้น้อยอร่อยไม่อร่อยต่างกันทีเดียวการภาวนาเนี่เหมือนกันเราควรจะต้องทำใจของเราให้รู้สึกยินยอมด้ยตนเองยินยอมด้่จิตใจเองอยากจะทำเองถ้าไม่แค่นั้นล่ะการมานั่งภาวนาเนี่เหมือนว่าโ ด, โดนบังคับกูบังคับอยู่ได้กดอยู่ได้ระเบียบ อยู่ในหมู่คณะครูบังคับอยู่เลยครูบาอาจารย์ถ้าอย่างนี้แล้วผลมันเกิดขึ้นมาหน่อนมันไม่ได้เกิดที่ใจจิตใจเราจะมีแต่ความฝืนมันฝืนมันฝืนอยู่ในนั้นน่ะการภาวนาแทนที่จะราบรื่นมันก็ไม่ลาบฝื่นให้มานั่งก็นั่งสังกตายไปให้มันพอหมดเวลาไปเท่านั้นเองในนั้นทางที่ดีเราหาวิธีกระตุ้น จิตใจของเราให้เกิดความยอมรับให้เกิดความประทือหรือล้นยอมรับว่าตนเองอยากจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องดีที่สุดถ้าเรามีอันนี้มีความอยากจะทำขึ้นมาแล้วหรือว่ามีความเห็นข้องด้วยตนขึ้นตนเองแล้ว จะทำต่อไปข้างหน้ามันง่ายหรอกมันราบรื่นถ้ามันเกิดความสนใจขึ้นมาเองมีความอยากจะดีเองอยากจะทำเองในใจ อ, อันนั้นเป็นเหตุอันนั้นแหละตัวนั้นแหละที่ท่านเรียกว่าเป็นศรัทธาศรัทธาคือความรู้สึกอยากจะดีด้วยตนเองมีเมื่อไหร่แล้วเหรเกราะเราไม่ได้อยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ เราจะท่องเที่ยวไปอยู่ในป่าในป่าในเขาท่องเที่ยวทุ้ดงไปถ้ามีศรัทธาอยู่จากใจเรายัางสามารถก้าวหน้าในการประพืชปฏิบัติไปได้โดยไม่หยุดยั้ยงครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่ต่างๆนัน้ที่ท่านมีความเจริญในการปฏิบัติธรรมก็เพราะอันนี้แหละเพราะพลังก้อนแรกนี่แหละคือความศรัทธานะ ท่านมีความรู้สึกด้วยตัวของท่านเองที่จิตใจยอมรับขึ้นมาเองอยากจะดีเองมีความกระตือหรือล้อนเองในจิตในใจเลยที่อยากจะภาวนาอยากจะหาที่สงบอยากจะเข้าถึงความสงบโดยไม่ต้องมีเหตุการณ์อะไรข้างนอกบั ง, งคับหรือด้วยความจำยอมจำเป็นอะไรสักอย่างท่านจะพยายามขวนขวาย หาซะก่อนหาวิธีซะก่อนว่าทํำยังไงที่จะเกิดความอยากจะทําอยากจะภาวนาซะก่อนอย่างเราจะนั่งอย่างนี้แหละเราจะคิดหาวิหาอุบายหาปัญญาหรือแยบคลายอะไรก็ได้ที่ครูบาอาจารย์นัเคยพูดหลวงปู่ท่านเคยพูดใน น, ด น, นั้นกระดาหรือเราจะนึกถึงประวัติของหลวงปู่มั่น ประวัติของกูบาอาจารย์ที่ผ่านมารุ่นก่อนๆเราดูว่าวันๆหนึ่งท่านทรงอยู่กับความสงบถ้าใด้เวลาได้โอกาสเมื่อไรเต็นเข้าสู่ความสงบทันทีเราได้อ่านตรงนั้นมันจะเกิดความรู้สึกว่ายินดีด้วยโอ้ท่านผ่านวันเวลาไป24ชั่วโมงท่านล้วนแต่เข้าอยู่ในความสงบทั้งนั้น ถ้าจะเกิดความกระตือหรือลงขึ้นมาในใจเราอยากจะทำอย่างนั้นบ้างอยากจะลงสู่ความสงบถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เป็นทำความสงบทำสมาธิยังไม่เป็นนั่นแหละการที่เราทำอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคือการที่จะฝึกฝึกเพื่อจะให้มันเป็นถ้ามันไม่ฝึกเสียเลยแล้วมันอะไรมันจะเกิดได้อย่างผลละไมผลละหมากรากไม้ทั้งหลายเนี่ย มันต้องผ่านการเป็นต้นเล็กซก่อนทั้งนั้นอะ่ะก่อนที่มันจะโตขึ้นมายังมีดอกมีผลเนี่ยนะมันต้องผ่านความเป็นต้นเล็กๆ เ, เป็นกล้าต้นไม้แล้วไปค่อยๆเติบโตขึ้นมามันมีกิ่งมีก้านขึ้นมาเล็ ก, ลกๆน้อยๆแล้วก็ใหญ่โตมีกิ่งมีก้านมากขึ้นใบดกใบหนาขึ้นต่อไปเรื่อยอย่างนั้น อ, ะอ่ะอ่ยเราลำลึกถึงอย่างนั้นเหตุผลมันมีอยู่ทั่วๆไปมันก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะ เราการภาวนานี่ยก็คงจะเหมือนกันอย่างนั้นละมั้งดังนั้นการที่เราภาวนานั่งสมาธิไปเนี่ยมันมันยังไม่เป็นเนไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเพราะว่านี่คือการเบื้องเบื้องบาตเบื้องบทของแห่งการปฏิบัติเป็นเบื้องแรกของการจะปฏิบัติการฝึกฝนอบรมนี่ก่อนก่อนที่จะเป็นมันต้องมีการฝึกทั้งนั้นแหละ ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้มันก็ทําให้จิตใจเรามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลยอมรับเลยเหตุเลยผลโดยตนเองแล้วจิตใจมันก็อยากจะทํามีความหวังมีความมุ่งความหวังว่าการทําของเรานี้ไม่ได้ทําไปอย่างเลื่อนลอยทําไปด้วยความมีเหตุมีผลมีทิศทางอยู่เพราะฉะนั้นให้คิดให้ยิ่อยางจิต คิดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ของพวกเราเมื่อสมัยท่านยังอยู่เป็นยังไงถ่าบางคนก็ไม่ไปพบเห็นหลวงพิทเจก็ เ, เ, เออนังสือประวัติของท่านมาอ่านเอาประวัติของลวงปู่มั่นมาอ่านนึกเห็นสภาพของท่านที่ทนลําบากาต่างๆและท่านประสบคุณธรรมต่างๆที่น่าปลาบปลื้มใจจิตรวมใหญ่จิตเป็นสมาธิ มีอิทธิฤทธิ์มีความเห็นรู้ความเห็นแปล ก, ปลกตๆต่างๆเกิดขึ้นมาเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องทำให้จิตใจละทุกเหนือได้โดอสาคัญที่สุดหาวิธีหาวิธีจะให้จิตใจเนี่ยเกิดความยอมรับเองเกิดความอยากจะทำเองอย่าให้รู้สึกว่าเป็นการจำเป็นต้องทำโดยหน้าที่ให้รู้สึกว่าเป็นการอยากจะทํเราของจิตเอง อย่างนั้นจริงจะได้ผลอันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆอย่างที่เราจะนั่งภาวนาต่อไปนี้ก็เหมือนกันเราตั้งอกตั้งใจว่าการทําครั้งนี้การนั่งภาวนาครั้งนี้เราจะต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนจะได้ความสงบนั่นแหละเป็นเบื้องต้นมันก็ต้องได้แน่ๆแล้วจะได้แง่อันแง่ธรรมคือเป็นปัญญาปัญญาในการที่จะทําให้จิตใจเรานี่ลงสู่ความสงบได้ง่าย ปัญญาที่จะทําให้เรารู้จักทินิทิจารณาสิ่งต่างๆที่มากระทบอารมณ์ต่างๆที่มากระทบย่อมต้องได้สองประการนี้เรารู้สึกอย่างนี้มันก็ทําให้จิตใจเนี่ยยอมรับโดยเหตุผลด้วยตนของตนเองอันนี้เรียกว่าเราสร้างกําลังกองแรกขึ้นมาด้วยตนของตนเองเท่านั้นกำลังกองนี้คือศรัทธาเนี่ย ถ้าเราสร้างขึ้นมาได้เองด้วยตนเองจะมีกำลังมากที่สุดถ้าเชื่อคนอื่นเชื่อคนอื่นฟังคนอื่นนั่นมันก็ยังคลางแคลงใจอยู่อย่างครูบาอาจารย์พามานั่งภาวนาหมู่เพื่อนภาวนานั่งภาวนาเนี่ยพอนั่งไปอย่างนัเผื่อบางทีจะได้นะ่ะคำว่าเผื่อบางทีนั่นคือมันมีสองจิตสองใจสองแง่สอง ง, า, อ ง, งามอยู่แต่ถ้าเราเนึกขึ้นมาเองในใจของเรานี่ย มันจะไม่มีความรู้สึกลังเลเมื่อเราทํานี่จะต้องได้แน่ๆมันก็หมดความคิดว่าจะไม่ได้มันหมดเพราะว่ายังไงไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดเองไม่ใช่คนนั้นคนนี้มขาขยันขยอเราจะเกิดกําลังอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วนั่นแหละเป็นประโยชน์มากเรานั่งภาวนาฟังเทศหลวงปู่นี่แท้ที่จริงแล้วคําเทศต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะได้ฟังได้ง่ายๆเท่าไหร่นะ ถ้าเหตุผลผ่านถ้าผ่านการละเวลายุคนี้สมัยนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่อยู่ไม่คงไม่เหลืออยู่สภาพสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่เหลืออยู่การที่จะได้เอาเทปเอาเทปอะไรของหลวงปู่มาฟังทัก ท, ทีหนึ่งจะได้ยินน่ยยากแสนยากโอกาสที่จะได้มารวมกันนั่งภาวนาจะยากแสนยากเนี่ยถ้าเรามีโอกาสแล้วเราควรจะฝึกจะผล ผู้ที่ร่วมฝึกฝนกับเราก็มีอยู่มากมายมีหมู่มีคณะมีครูบาอาจารย์มีพระเจ้าประสง์รรมเนนร่วมกันอยู่ในขณะนี้เป็นโอกาสดีถ้าเราไปทำอยู่คนเดียวถ้าจินีของเรายังไม่แก่กล้าหมายความว่าความตั้งอกตั้งใจของเรายังไม่แก่กล้ายังไม่เด็ดขาดมันก็มีแต่จะพาง่อยเปรี้ยวแล้วก็ในที่สุดก็เลิกราไปเท่านั้น เพราะการปลูกต้นไม้พระพุทธศาสนาลงในใจนี่นะ่มันเป็นการปลูกที่ใช้เวลายาวนานถ้าจะเรียกว่ายาวนานก็ยาวนานชั่วชั่วชีวิตทีเดียวตั้งแต่เราเกิดมาถ้าเรารู้ความและเริ่มปฏิบัติธรรมมาเลยตั้งแต่นู้นเลยก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าเมื่อจะตายเมื่อแก่เท่ามาแล้วเนะีจะบรรลุคุณธรรมหรือไม่ ก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าว่ามันเป็นของแน่นอนว่าต้นพระพุทธศาสนานี้ถ้าเกิดขึ้นมาในจิตใจแล้วย่อมได้รับผลดีคือความพ้นทุกข์นั่นอันนั่นเป็นผลอันนั่นเป็นรางวัลเป็นผลได้แน่นอนเพราะฉนั้นที่เรามาฝึกฝนอบรมนี้ถ้าเราสามารถจะทํายังไงให้จิตใจมีความอยากจะทําขึ้นมาเป็นกําลังอันแรก ส่วนอื่นๆเนะมันก็ค่อยตามมาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะติดตามมามันไม่ได้ติดเกิดไปติดไปเกิดที่ไหนอื่นมันเกิดที่ในจิตในใจของเรานี่แหละเพราะเหตุนี้จึงจะต้อง ท, ทงําใจของเราเนี่ให้มันมุ่งไปด้วยตนเองใจมุ่งไปด้วยตนเองคือจิตใจมันน้อมไปด้วยตนเองอั น, นีนการน้อมไปนี่คือศรัทธาถ้าน้อมไปเพราะคนอื่นแล้วมันคอยจะดีดพืน พอจะโบกตับคืนถ้าโดยตนเองแล้วมันน้อมไปเพื่อจะฟังอย่างสมมติวันนี้เราตั้งใจฟังเทศของหลวงปู่กันฟังเทศของหลวงปู่ตั้งออกตั้งใจฟังตั้ง อ, อกตั้งใจก็คือกําหนดจิตไว้ที่ตรงตนเองนี่แหละอย่าตรงนี้ไปไหนคอยอยู่ตรงนี้จ้องอยู่ตรงนี้คิดว่ายังไงยังไงเทศของหลวงปู่ที่มาทุกคําทุกคํามากระทบหูเราเนี่ยเราจะไม่เพ้าดดี เราคิดอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้เรียกว่าโน้มไปเพื่อความตั้งจดจ่อตั้งอกตั้งใจฝังอย่างนี้เป็นประโยชน์มากทีเดียวต่อไปนี้ฟังเทศหลองถูกัน